วันนี้เป็นวันที่เจ็ดมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าวันนี้เป็นวันพระแรมสิบสี่ค่ำเดือนสามพระในวัดของเราสี่สิบเอ็ดรูปแล้วก็วันพรุ่งนี้นะพระลูกลานเป็นวันอุโบสถแต่วันนี้เป็นวันพระแต่วันพรุ่งนี้เป็นวันอุโบสถเที่ยงแล้วก็บอกบอก เกัาการผู้ที่มาใหม่เที่ยงลงโบสถวันพรุ่งนี้แต่วันนี้เป็นวันพระแต่ตอนเย็นก็มีการไหว้พระสวดมนต์ตามปกติวันนี้ตอนเช้าท่านผู้ตรวจกระทรวงศึกษาออกพื้นที่ แล้วก็มาตักบาทเมื่อเช้าอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลกับคณะครูบาอาจารย์ทางจังหวัดหลายๆผู้ใหญ่หลายๆท่านนว่าถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีท่านก็บอกว่าไม่มีท่านพูดตรวจกระทรวงที่ออกมาไกลถึงขนาดนี้ครับหลวงพ่อเออดีเราจะได้รู้ว่าอาคาร โรงเรียนไหนที่ขาดเหลือขาดตกอะไรอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทถ้าหากว่าเรามีแต่ให้เขาเสนอขึ้นไปใครขาดเหลืออะไร เ, เราก็ให้ตามที่เขาเสนอหรือเขาขอขึ้นไปมันไม่เพียงพอนะเพราะเหตุไรเพราะว่าครูบาอาจารย์พออโรงเรียนบางคนก็ออสอนเป็นวันวัน คืนๆเดือนๆปีๆไปไม่ได้กระตือหรือล้นเพราอมันไม่ใช่ของตัวเองไม่จําเป็นต้องขอไม่ทําเรื่องไม่ขอผลในสดมันกระตกมาถึงทรัพยากรของชาตินักเรียนโรงเรียนไม่กระตือหรือล้นครูบาอาจารย์ไม่กระตือหรือล้นโรงเรียนก็อยู่สมชองชั ง, ชงกรตายและจะทํำยังไง สิ่งเหล่านี้มันก็ต้องผู้ใหญ่ลงมาตรวจตราดาูสมควรจะให้หรือไม่สมควรให้ถ้าว่าโรงเรียนไหนสมควรและหยุดพ อ, พอหยุดได้ก็ควรจะหยุดไว้ก่อนก็ควรจะให้โรงเรียนที่ยังด้อยกว่ า, อามองดูให้ตามความจำเป็นเหมาะสมถูกต้องเป็นธรมรมหลวงพ่อวานาจะเป็นอย่างนั้นนะ แล้วก็หลวงพ่อเองติพูดอย่างนี้ก็พอหลวงพ่อช่วยโรงเรียนหลวงพ่อเคยพูดมาไม่รู้กี่ครั้งตัวกี่หนว่าโรงเรียนก็ดีโรงพยาบาลก็ดีคนที่เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยอันดับแรกก็ต้องได้รับการศึกษาถ้าว่าคนในชาติไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้การศึกษาไม่ดีพูดง่ายๆ ทุกระดับเราจะพัฒนาประเทศชาติไปได้อย่างไรเพราะคนในชาติมันโง่ฮะปูดง่ายๆเอออะไรก็ไม่ทันเขาภาษาก็ไม่ทันเขาคณิตวิดอะไรไม่ทันเขา้งหมดสรุปแล้วคือคือคนในชาติไม่ได้รับการศึกษาที่ดี เ, เราจะพัฒนาประเทศชาติก็ไปได้ยากเพราะนั้นเราต้องเร่งพัฒนาคนในชาติให้เฉียวฉลาดให้ทันกับโลกเขา น, นี่ก็คือการศึกษาและก็สาธารณสุขสาธารณสุขมันก็จําเป็นเพราะคนเกิดมาในชาติทุกคนจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต่าว่าเราไม่ดูแลในจุดนั้นโรงพยาบาลไหนโรงเรียนนักโรงพยาบาลไหน เ, เมื่อกเนี่ยหลวงพ่อลงไปกรุงเทพก็ไปเจอท่านผู้ตรวจกระทรวงสาธารณสุขอยู่ที่สนามบินหลวงพ่อก็ให้ความเห็น ว่าเนี่ยในภาคอีสานก็รู้อยู่แล้วเป็นเป็นภาคใหญ่แต่ตามไม่จริงผู้ใหญ่ในกระทรวงน่าจะออกมาตรวจดูเดินดูในโรงพยาบาลใหญ่ๆเป็นยังไงจะพัฒนายัางไงจะปรับปรุงแก้ไขยังไงไม่ใช่อยู่ๆในกระทรวงแล้วก็ไม่ดูแลคนในต่างจังหวัดเวลาให้ก็ให้เสมอการขวัตกรอนให้เสมอกัน เวลาสร้างอาคารพอสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วก็คืออาคารไอ้พวกเครื่องมมอีกพวกหนึ่งแต่ตามไม่จริงถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เมื่ออเมื่อสร้างอาคารขึ้นมาแล้วก็ต้องให้เครื่องมือให้เตียงให้เครื่องมือแพทย์จําเป็นมันต้องให้พร้อมกันอันนี้หลวงพ่อเห็นกระทรวงสาธารณสุขพอสร้างอาคารคืองมัแล้วก็โดเดยทั้งหลายปี ยังไม่มีเครื่องอยังไม่มีเตียงยังไม่มีอะไรในในตึกหลังนั้นเลยดูดูเลยผู้ใหญ่เขาคิดกันยังไงเออหรือมันมีพักมีพวกหรือมันเห็นอะไรทำไมตามไม่เจงเมื่อสร้างอาคารเสร็จขึ้นมาแล้วก็ต้องให้เครื่องมือเขาจะให้เขาหาจากที่ไหนเออมันต้องให้เครื่องมือแต่อย่างอื่นเราก็ให้ไปใช้อย่างอื่นอิรุยชยแฉกมากมายทาให้ทาไมจึงให้สาธารณ สาธรารสุขให้กับพี่น้องประชาชนไม่ได้เดี๋ยวนี้ดูคนทางอีสานของเรามันไม่ใช่นอนเตียงล้นเตียงไปนอนกับพื้นเหมือนกับเหมือนกับคนต่างประเทศที่ว่าด้อยพัฒนาหรือว่าทุกทุกจนแต่ตามไม่จริงไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นทางผู้ใหญ่ก็น่าจะลงมาดูเวลาการจะให้งบประมาณก็เหมือนกัน ไม่ใช่แบบให้เสมอการจังหวัดหนึ่งให้เท่ากันแต่เราต้องดูปริมาณของผู้ที่จะมาใช้บริการมันจึงจะถูกหลวงพ่อว่านะอย่างหลวงพ่อให้บางทีหลวงพ่อให้อาคารหรือ ว, ว่าให้รางวัลของโรงเรียนในละแวกของเราหลวงพอ่อยังบอกวันนักเรียนโรงเรียนมีเท่าไหร่เอาหัวนักเรียนมาหารเลยใชเอานักเรียนมาหารเลยเงินร้อยบาท มีกี่คนหารได้คนละเท่าไหร น, นี่อันนี้แหละอันนี้ก็คือให้ตามความเหมาะสมเพราะทุกคนมีสิทธิ์หลวงพ่อหน่าจะเป็นอย่างกันนะท่านผู้ตรวจนะนะหลวงพ่อก็เลยบอกอ่แต่นี่ยอย่างเมือ่อเกยในท่านผู้ตรวจกระทรวงมาหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อไม่ได้เน่งดูได้เพราะหลวงพ่อเป็นพระของพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยม ลูกหลานทั้งหลายก็ามาเกี่ยวข้องกันอถ้าเราเขาขาดเหลือขาดตกอะไรหลวงพ่อก็ให้เขานะอย่างเพงดานโรงเรียนบ้านกล้องมันถลม่มเอเขาอาสั่งช่างมาซ่อมเสร็จแล้วทั้งที่เขาจะไปขอเงินงบประมาณอทางหน่วยเอทางเขตกองเขา เ, เขาก็บอกหลวงพ่อสร้างให้หลายปีแล้วเพดานมันถลม่ม เมื่อแพทย์เมื่อ <t iny> ช่งางก็มาทําให้แล้วเนี่ยงบประมาณสี่หมื่นกว่าบาทหลวงพ่อก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าถึงยังไงก็เห็นว่าพี่น้องประชาชนลูกหลานเป็นทรัพยากรของชาติเราพอเอาพร้อมที่จะให้ให้ไปเลยไม่ต้องคิดเอองบประมาณลูกหลานโรงเรียนบ้านหัวช้างกําลังทําอยู่เลยวันนี้ก็จะไปเบิกอให้เขาแล้วนะเพราะ ช่างผู้รับหมอเขามาขอเบอิกแล้วงดแรกหกแสนแต่ราคาอาคารหลังนี้ก็ประมาณสี่ล้านสี่ล้านหกมั้งงวดเ บ, เบิกเบิกขวดแรกนะหลวงพ่อคงจะให้คณะกรรมการไปเบิกให้เขาแต่โรงเรียนบันสุ่มเศร้ากระจวนจะเสร็จแล้วกำลังหลวงพ่อไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วติดประตูหน้าต่างแล้วกระเดือนพุทธภา เปิดเทอมหน้าเนี่ยก็น่าจะเสร็จอ้ได้ใช้ได้กับโรงเรียนอุดรพิษกับวันที่9ที่จะถึงเนี่ยขอจะได้ไปวางสิลเลิกอันนี้ของคุณชัยนะแต่ไม่ใช่ของหลวงพ่อสร้างนะที่สมเศร้าก็เป็นของท่าน อ, อ่าดรฮิรันรดีศรีผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยอดีตนะอดีตผู้ว่าการรถไฟ แต่หัวช้างเนี่ยเป็นคุณสมบัติเฉลิมมุตินันผู้เป็นพ่อค้าส่งข้าวกับกลุ่มคณ ะ, ะแต่อุร อ, อพิษเนี่ยเป็นของคุณชัยลูกชายของท่านด็อกเตอร์ท่านองค์ขบนตรีด็อกเตอร์เ้านี่แหละที่ท่านจะมาสร้างผุ้หลังในี้ใหญ่นะงบถึงยี่สิบเจ็ดล้านฟังๆดูตึกสี่ชั้น มีอุปกรณ์พร้อมทั้งโต๊ะเก้าอี้อะไรพร้อมหมดทุกอย่างด้วยมากเวลาเราให้ไปให้อาคารหลังใดก็าตามเราไม่ให้แต่อาคารนะแตทั้งกระดานดําด้วยทั้งโต๊ะครูด้วยทั้งโต๊ะทำ ง, งานของครูแ้วโต๊ะนักเรียนด้วยเก้าอี้นักเรียนด้วยป้ายของอาคารคือให้ครบหมดทุกอย่างอันนี้ก็คือเรามอบให้ กับโรงเรียนอันนี้ก็คือสาธารณสาธารณประโยชน์เราไม่ได้มองข้ามนะลู ก, กหลานคณะชาญาติโยมนะอันนี้หลวงพ่อวันนี้ได้ท่านผู้ตรวจเข้ามาหลวงพ่อก็ได้พูดให้ลูกให้หลานได้ฟังเ น, นี่ยนะเป็นแนวความคิดส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาสาธารณประโยชน์สาธารณ ะ, ะคนในชาติแต่ถึงยังไงก็ตามนะ เรื่องศีลธรรมจริยธรรมการพัฒนาคนอย่างหลวงพ่อได้พูดแต่ท่านผู้ใดกีดมาเกี่ยวข้องในสาอาสาขาอาชีพอะไรหลวงพ่อก็จะพูดว่าการพัฒนาประเทศก้องต้องพัฒนาคนก่อนถ้าหาว่าคนในชาติไม่อยู่ในระบบระเบียบไม่อยู่ในวินยัยไม่อยู่ในกฎหมายแล้วจะพัฒนาอย่างไรกดไม่อยู่ในกฎหมายต่างคนก็ต่างออกนอกรูนอกทาง จะพัฒนาไปไม่ได้ต้องบังคับให้อยู่ในกฎหมายก่อนจากนั้นก็ให้ถึงจดกฎหมายก็ยังไม่เพียงพอเพราะอะไรเพราะกฎหมายบังคับในที่แจ้งบังคับได้ในที่แจ้งในที่มืดบังคับไม่ได้ใ ค, ค้ข้าว่าคนทำผิดกฎหมายใครไม่รู้รู้ใครไม่เห็นให้ข้าวว่าใช้ช่องว่างหรือช่องโหว่หรือว่าช่อง ใครไม่เห็นแต่ทำผิดกฎหมายพอทำไปแล้วกฎหมายก็ยังไม่ถึงเอาโทษไม่ได้อ น, นั้นแปลว่ากฎหมายคุ้มครองแต่ศีลลธรรมจริยธรรมธรรมของพระพุทธศาสนาจริยธรรมของพระพุทธเจ้าคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจะเป็นใครก็าตาม ทำความชั่วก็คือวันความชั่ววันยังคำ่ำเมือ่อเราไปจับไฟจับไฟในที่แจง้งจับไฟในที่มืดจับไฟในที่ไหนไหนสาธารณะหรือไม่ใครไม่เห็นก็คือไฟก็คื อ, ค, อความร้อนคือความไม่เป็นธรรมอยู่ในจิตใจเพราะนั้นศีลธรรมเน่คุ้มครองทั้งในในที่รับทั้งในที่แจง้งในที่ทุกสถาน ถ้าผู้ใดมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในจิตในใจแล้วนั่นแหละยึดตามแนวแถวอยู่ด้วยกันมากน้อยร่มเจ็นเป็นจุดท่วนหน้ากันแต่ทางว่าคุณเรามีแต่กฎหมายอย่างเดียวนะ เ, เราทำให้ถ้ากดถ้าเร า, เาไปในธรรมไปทำในจุดที่คนมองไม่เห็นเาขาไม่รู้เนะขาพิสูจน์ไม่ได้อา่า ก็ไม่ผิดกฎหมายเพราะอะไรเพราะว่ากฎหมายอย่างไม่ถึงแต่ศีลธรรมน่ะผิดนะถึงจะทำอะไรที่ใดก็าตามเป็นบาปบาปอากุศลนั่นแหละจะติดตามจิตใจของเราไปสู่ภายภาคหน้ากรรมชั่วอย่าทำเสลยดีกว่ากรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วถึงจะคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วทําลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง พนักอยให้พวกเราทุกทุกท่านนะนักท า, ธ า, ธา ญ, ญาติโยมทั้งภายนอกก็พยายามให้สมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งภายในก็พยายามสังสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเราอยู่นักายทานที่ใดมีแต่ความ <c oughs> มีแต่ความร่มเย็นผาสุกนะั่นถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทําถูกต้องสํารวงกายวาจาใจดีแล้วนะอยู่ที่ไหนเป็นสุกนะ ทำไม่ถูนทุกนะลูกหลานนะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พอนะวันนี้นะวันนี้เป็นวันพระใหญ่นะเดือนสามดับวันนี้ <c oughs> พวกเราควรจะมีศีล น, นะควรจะมีศีลอย่างน้อยก็มีศีลห้านะอาถึงจะหลวงพ่อไม่ให้รับศีลหรือไม่รับศีลถึงวันแล้วพวกเราควรจะรู้ด้วยตนเองเมื่อเราทานอาหารตอนเช้านะ ออพอตอนเช้าเราก็รู้แล้วว่าเราจะทานอาหารตอนเที่ยงเราจะทานอาหารตอนเย็นเราก็จะทานอาหารวันจันทร์เราก็ไปสอนโรงเรียนคือทําหน้าที่ของแต่ละคนนะทั้งจะเป็นนายธนาคารหรือเป็นครูบาอาจารย์หรือพนักงานระดับไหน อ, อวันเสาร์ทายังไงวันอาทิตย์ทํำยังไงวันจันทร์ทํายังไงอันนี้พวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนวันพระอย่างนี้ พวกเราควรปฏิบัติตนอย่างไรเนี่ยพวกเราควรจะรู้จักหน้าที่มันกันนะคณะทายาทโยมลูกหลานนะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนาะ